เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสก อ, อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่กทานวันนี้เป็นวันพุทธที่27เรจรกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันฟังธรรมวันชำระ กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาของกายวาจาใจนำความสุขอย่างยิ่งมาให้นั่นเองไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเป็นความสุขที่จะ ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆไม่เหมือนกับความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มีความสุขเพราะคุกเข้าไปกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพราะธรรมชาติของลาบยศสรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเจริญมีเสื่อมเวลาเจริญก็สุขเวลาเสื่อมก็ทุกข์เวลามีก็ทุกข์ได้ทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความกังวลต่างๆแต่ความสุขทางกายว่ า, จาใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะไม่มีความห่วงไม่มีความหวงไม่มีความกงังวลและไม่มีความเสื่อมเพราะ ความสหอาดของกายวาจาใจเมื่อได้ชำระแล้วก็จะสามารถรักษาไม่ให้เสื่อมได้ไม่เหมือนกับกลาภยศสรเสริญไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่ได้มาแล้วต้องให้รักษาอย่างไรก็ไม่สามารถรักษาไปได้ตลอดต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันอย่างแน่นอน พอเกิดการพลาดพลาดจากกันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาชำระกายวาจาใจให้สะอาดดีกว่าที่จะไปหาความสุขจากล่ามนรสเสรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเพราะมันเป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขนั่นเอง มาชำระกายวาจาใจแล้วก็จะมีความสุขที่แท้จริงที่ถาวรกายวาจาใจถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดก็นำความเศร้าหมองนาความวุ่นวายนาความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจมาเพราะสิ่งที่ทาให้จิตใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็คือกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความเศร้าหมอ ง, งต่างๆนั่นเองถ้าเรามากาจัดความโลภโกรธหลงความเศร้าหมอ ง, งต่างๆให้หมดไปจากใจใจเราก็จะสดใสเบิกบานใจเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สุกปรกนี้ก็ไม่มีใครอยากจะสวมใส่เพราะใส่แล้วมันส่งกลิ่นเหม็นใส่แล้วมันไม่รู้สึกสบาย ไม่เหมือนกับเสื้อผ้าที่ได้ซักสะอาดแล้วเวลาใส่แล้วรู้สึกสดชื่นรู้สึกสะอาดรู้สึกสบายชั้นใดกายวาจาใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ที่เรามักจะไปทําให้อะไรต่างๆแล้วมีสิ่งเปื้อนติดมากับกายวาจาใจของเรา พอถึงวันพระเราเลยต้องมาวัด ก, กันเพื่อที่จะมาซักกายวาจาใจให้สะอาดเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วสกปรกเราก็ต้องเอาไปซักเราจะไม่ใส่ซ้ำอี ก, กเอาไปซักก่อนให้สะอาดแล้วมาใส่เราจะรู้สึกสดชื่นเบกิกบานสบายอกสบายใจยสิ่งที่ทำให้กายวาจาใจของเรา เบื่เปืเป่นทาให้เศร้าหมองก็คืออกุศลสิบชนิดด้วยกันอกุศลทางกายมีอยู่สาอากุศลทางวาจามีอยู่สี่อกุศลทางใจมีอยู่สารวมกันก็เป็นสิบอกุศลที่เรียกว่าอากุศลสิบอากุศลเหล่านี้แหละที่ทําให้ใจเราไม่มีความสุขกัน มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองถ้าเราชำระอกุศลออกไปจากกายจากวาจาและจากใจได้เราก็จะมีแต่ความสุขอกุศลทางกายก็มีอยู่สามคือ 1. การฆ่าสับตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์าการประพฤติผิดโปรยนีการกระทำทั้งสามอย่างนี้จะทำให้ใจเศร้าหมอง จะทําให้ใจไม่เบิกบานจะทําให้ใจหวาดกลัววิตกกังวลหุ่นวายเวลาเราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเราจะมีความวิตกกังวลตามมาอาจจะมีความสุขตอนที่ได้ไปลักทรัพย์มาได้ไปฆ่าคนนั้นคนนี้มาได้ไปประพฤติผิดประเวณี แต่มันเป็นความสุขชั่ววูบชั่วประเดียวประดาแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดความกังวลเกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวเพราะรู้ว่าได้ไปทำบาปได้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีจะต้องมีการจับไปลงโทษอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนี่คือการกระทาที่ทำให้ใจเราทุกข์ ทำให้เราวุ่นวายทำให้เราไม่มีความสุขทางกายทางังทางใจการกระทาทางกายทําให้เราไม่สบายใจได้แต่ถ้าเราชําระอกุศลทั้งสามนี้ได้ความไม่สบายที่เกิดจากการกระทาทางกายก็จะหายไปถ้าเราไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพชุรายาเมา อย่างที่วันนี้เราได้มาสมาทานศีลกันการสมาทานก็คือการตั้งใจการศึกษาว่าศีลมีอะไรบ้างการขอศีลการสมาทานศีล น, นี้ไม่ได้หมายความว่าเอาศีลของพระไปศีลของพระก็ต้องเป็นของพระให้กันไม่ได้ศีลของโยมก็ต้องสร้างขึ้นมา สร้างขึ้นมาด้วยการสมาทานการสมาทานแปลว่าความตั้งใจวันนี้เราสมาทานศีลห้าแปบลบว่าเรามีความตั้งใจที่จะรักษาศีลห้าจะรักษายาว น, นานก็อยู่ที่เราจะกำหนดเวลาถ้าไม่อยากจะรักษานานก็แค่ขณะที่อยู่ในศาลานี้พอกจากศาลาก็โยนทิ้งใส่ถางขยะไป ก็ได้ก็ได้แค่ชั่วเดียวประเดียวเดียวแต่ถ้าอยากจะให้กายวาจาของเราสะอาดก็ต้องรักษาไปนานา น, านเช่นอย่างน้อยวันนี้วันพระก็หนึ่งวันก็หนึ่งคืนก็ยังดีจะละเว้นจากการกระทอาอกุศลทางกายสารข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วเราก็มา ชำละอกุศลทางวาจาที่มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือ 1. การพูดปดสองการพูดคำหยาบการพูดเพเจ้อการพูดส่อเสียดนี่คือการพูดที่ไม่ดีพูดแล้วจะทำให้ใจเราไม่สบายทำให้ใจเราเศร้าหมองการพูดปดนี้ พูดไปแล้วก็จะทำให้เรากลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเราโกหกการพูดคำหยาบ ก, ก็ทำให้คนเขาลังเกียจคำหยาบนี่เหมือนขยะออกมาทางปากเวลาใครเดินไปเจอขยะมักจะไม่เดินเข้าใกล้มักจะเดินหนีแล้วก็คำพูดเพ้อเจอ ก็เป็นคําพูดที่ไร้ประโยชน์ไม่มีสาระคุณพูดนินทาการเลคนนั้นคนนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์พูดแล้วไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้วิชาความรู้พูดไปทําไมพูดแล้วมันต้องได้ประโยชน์เช่นพูดแล้วได้เงินกลับมาเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์เวลาพูด ก็สอนวิชาความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เงินได้ทองกลับมาเป็นหมอเป็นพยาบาลพูดกับคนเจ็บคนไข้ก็ได้เงินได้ทองกลับมาเป็นพระพูดธรรมะให้กับญาติโยมญาติโยมก็ถวายลาบสักการะถวายปัจจัยสี่ถวายอาหารบิณฑบาต ท, ที่ว่าศส่ยารักษาโรค จีวรเครื่องนุ่งห่มต่างๆนี่คือการพูดที่มีประโยชน์พูดแล้วให้มันได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์เช่นเราพูดธรรมะผู้ฟังก็จะได้ธรรมะถ้าเราพูดเรื่องการรักษาล่างกายเช่นเราเป็นหมอเราบอกวิธีรักษาดูแลล่างกายหรือเวลาไม่สบายบอกวิธี รักษาโรคภัยใค้เจ็บให้หายไปคนฟังก็ได้รับประโยชน์คนพูดก็ได้ผลตอบแทนจากคนฟังนี่คือความหมายของการไม่พูดเพ้อเจ้ออย่าไปพูดแล้วคนฟังทีก็อิดหนาระอาใจฟังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ความความเพ้อเจ้อตามมางั้นอย่าพูด นะ พ, พูดในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์พูดในเรื่องของวิชาความรู้ต่างๆคาพูดของเราก็จะมีน้ำหนัก ม, มีประโยชนนะ์ทำให้คนเขาเคารพนับถือเราเชื่อถือเราเพราะเป็นคำพูดที่เขาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ถ้าพูดธรรมะเขาก็เอาไปดับความทุกข์ใจได้ถ้าพูดเรื่องวิชาความรู้เขาก็เอาไปทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ดังนั้นอย่าพูดเพื่อจะให้พูดสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แล้วก็ให้ละเว้นการพูดส่อเสียดส่อเสียดไม่ได้ไหมายถึงเสียดสีคนละเรื่องกัน จอเศษแปลว่าพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเช่นไปยุให้สามีภรรยาเขาแตกแยกกันไปยุให้คนที่อยู่ในบ้านแตกแยกกันไปพูดยุยงให้คนที่อยู่ในที่ทํางานแตกแยกกันไปพูดยุยงให้คนที่อยู่ในวัดแตกแยกกันเพราะความแตกแยกนี้ไม่ดีเป็นโทษกับคน คนเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขต้องอยู่ด้วยความรักสามคัคคีไม่ใช่อยู่ด้วยความเกลียดชังอยู่ด้วยความแตกแยกดังนั้นไม่ควรที่จะพูดให้เกิดความแตกแยกเพราะทำความทุกข์ให้แก่ผู้แล้วความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราได้คนที่เขาเกิดความแตกแยกถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไปยุหยาเขาก็จะโกรธจะเกลียดเราได้ ดังนั้นอย่าไปพูดส่อเสียดนี่คืออากุศลทางวาจามีอยู่สีข้อด้วยกันคือไม่พูดปดไม่เสพเสือไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียดแต่ในศีหลห้าหรือในศีลแปนี้เขาไม่ได้กําหนดไว้เขาให้เพียงแต่ไม่ให้พูดปดเพียงอย่างเดียว ส่วนไม่พูดเพ้อเจ้ไม่พูดคําหยาบไม่พูดสอเสียนี้เป็นข้อที่เราจะเสริมถ้าเราต้องการให้ใจของเราสะอาดยิ่งขึ้นถ้าเราไม่พูดคําหยาบถ้าเราพูดเพียงแต่ไม่พูดปดเรายังพูดคําหยาเรายังพูดเพ้อเจอยังพูดส่อเสียดอยู่ใจของเราก็ยังจะมีความ วุวายใจได้แต่เนื่องจากเห็นว่าญาติโยมต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องพบปะกับคนพบปะกับเหตุการณ์ต่างๆก็คงคิดว่าคงจะไม่สามารถรักษาศีลทั้งสี่ข้อนี้ได้ก็เลยให้เอาไปรักษาข้อเดียวก่อนก็คือข้อไม่พูดปดถ้าเรารักษาข้อไม่พูดปดได้แล้ว ถ้าเราอยากจะให้วาจาของเราดีขึ้นก็เราก็มารักษาอีกสามข้อก็ได้เช่จนจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรต้องพูดเป็นเรื่องที่มีสาระมีความรู้พูดแล้วผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการพูดของเราแล้วก็ไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันอันนี้เป็น เรียกว่าอากุศลทางวาจาถ้าเราชำระได้ใจเราก็จะเย็นจะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปแล้วเราก็ต้องมาชำระอากุศลที่ใจอีกสามข้ออากุศลที่ใจนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอากุศลทางกายและทางวาจา ถ้าใจมีอกุศลทางทางใจแล้วจะยักษาอากุศลอกุศลทางกายทางวาจาได้ยากอากุศลทางใจคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงคนเราเวลาเกิดความโลภแล้วมักจะไปทําอกุศลทางกายทางวาจากันเช่นอยากจะไปนอนกับสามีภรรยาของคนอื่น อันนี้ก็เรียกว่าความโลภพออยากไปนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นพอมีเวลาก็ไปหาเขาไปร่วมหลับนอนกับเขาถึงแม้ว่าจะรักษาศีลก็อาจจะทําให้ศีลแตกได้ศีลขาดได้เพราะเวลาเกิดความโลภความอยากมากๆนี้ศีลก็รักษาไม่อยู่ถ้าอยากจะ ไม่ทำผิดศีลข้อสานี่เลยต้องตัดความโลภความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นเขาการที่เราจะตัดความโลภได้เราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะความโลภนี้เกิดจากความหลงความหลงที่ไปเห็นร่างกายของสามีภรรยาของคนอื่นว่าน่าร่วมหลับนอนด้วย วิธีที่จะทำให้ดูแลไม่น่าร่วมหลับนอนก็ให้ดูส่วนที่เรามองไม่เห็นที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นมองที่โครงกระดูกเขามองที่ปอดมองที่หัวใจมองที่อวัยวะภายในของร่างกายดูตับไตดูกระเพาะดูลำไส้ดูสิ่งที่สกปรกที่ถูก กลับออกมาจากร่างกายถ้าเราดูอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นหรือแม้แต่สามีภรรยาของเราเราก็จะไม่อยากร่วมหลับนอนนะ้เราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้เราสามารถที่จะไปอยู่คนเดียวไปปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบได้ นี่คือวิธีแก้ความโลภต้องใช้ปัญญาเพราะความโลภเกิดจากความหลงมองไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายมองเห็นแต่ส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามมองไม่เห็นเราจึงต้องมาฝึกเจริญอสุภกันหัดมาดูส่วนที่ไม่สวยงามกันถ้าไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือดู ไปเปิดหนังสือที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์ก็ได้เขาจะมีสัดส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วเราก็จะได้เห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นกระเพาะเห็นลำไส้เห็นโครงกระดูกเห็นสิ่งสกปรกที่ถูกขับถ่ายออกมาจากวาวรต่างๆ เราเห็นแล้วเราก็เอามานึกอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆพอเวลาเราเห็นใครที่เราอยากจะไปร่วมหลับนอนก็ให้นึกถึงส่วนต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขาถ้าเราดูอย่างเห็นอย่างนี้เรื่อยๆรับรอมได้ว่าอารมณ์ที่อยากจะไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นนี้จะไม่มีเราก็จะสามารถรักษา ศีลข้อสามได้จำระอากุศลทางกายข้อ3าได้นี่คือวิธีหนึ่งอ็กวิธีหนึ่งถ้าเรามีความโลภอยากจะได้ของของคนอื่นก็ให้เราดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งของต่างๆสิ่งของต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียมันก็ต้องกลับมันก็ต้องหมดไป ได้มาก็ได้ความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหามาใหม่ถ้าเราเห็นว่าหามาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเท่านั้นเราก็ไม่อยากจะหาหาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องไปขโมยอยู่เรื่อยๆพอขโมยบ่อยๆเข้าเดียวก็ต้องถูกจับจนได้ขโมยครั้งสมครั้งนี้อาจจะลอดตัวไป แต่พอขโมยได้แล้วมันจะติดนิสัยมันอยากจะขโมยอีกเช่นขโมยเงินเขามาก็เอาไปใช้หมดพอใช้หมดแล้วก็ต้องไปขโมยใหม่ก็จะขโมยอยู่เรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะต้องถูกเขาจับได้ถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางไปนี่คือการใช้ปัญญามาแค่ มาชั่งละอกุศลคือความหลงความหลงนี้จะไม่เห็นจะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจะเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจึงต้องใช้ปัญญามาแก้ความหลงให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนี้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป พอหมดไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเช่นร่างกายที่เราได้มานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่เราไม่รู้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เที่ยงจะอยู่ไปนานๆจะคิดว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่พออยู่ไปพอเริ่มแก่มันก็จะแสดงความทุกข์ออกมาพอแก่แล้วก็ทําอะไรไม่ไหวทําอะไรไม่สะดวกพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์พอตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นี่คือธรรมชาติของร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องอย่าไปโลภอย่าไปอยาก ให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปตลอดเราต้องมาหัดทาเตรียมตัวเตรียมใจจากร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงเวลามันจากเรามันจะทำให้เราทุกข์เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลามันแก่มันก็ต้องทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเรามา หยุดความอยากได้ปล่อยให้มันแก่ไปอย่าไปอยากให้ไม่แก่อย่าไปอยากให้ไม่เจ็บอย่าไปอยากให้ไม่ตายแล้วเวลามันแก่มันเจ็บมันตายใจจะไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ความอยากไม่ใช่อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายแต่อยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายวิธีที่จะ ทำให้ใจไม่อยากก็คือต้องมาทำพุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดพอหยุดความคิดมันก็จะหยุดความอยากพอไม่มีความอยากมันก็จะเฉยเฉยกับร่างกายร่างกายแก่ก็เฉยร่างกายเจ็บก็เฉยร่างกายตายก็เฉยนี่คือวิธีที่เราจะมาทำใจให้เรามีความสุข ไม่ทุกไปกับความโลภในสิ่งต่างๆต้องมีปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาแล้วเดี๋ยวก็ทุก์เพราะเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็จากเราไปเพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่อยากได้อะไร เมื่อเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะว่าความโกรธก็เกิดจากความอยากนี่เองพอโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธพอใครมาขัดขวางเราเราก็โกรธเขาเช่นเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาพอเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาขึ้นม า, ท, าทันทีแต่ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากเขา เราจะไม่มีวันโกรธเขาเลยนี่คือวิธีชำระอกุศลทางใจสามประการคือความโลภความโกรธความหลงต้องไปชำระไปแก้ที่ความหลงต้องสอนใจให้ไม่หลงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลามันอยู่กับเราก็ดีแต่เวลามันจากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสียแฟนไปแล้วรู้สึกยังไงร้อ ง, องห่มร้องไห้เวลาไม่มีแฟนก็อยากได้เพราะคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขก็ไปหาแฟนพอได้แฟนมาใหม่ๆก็มีความสุขแต่ต่อมาพอแฟนเขาเริ่มเปลี่ยนไป เขาไม่ดีกับเราเขาทิ้งเราเราก็เสีย อ, อกเสียใจเพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงในตัวแฟนนั่นเองถ้าเราเห็นเราก็จะได้ไม่อยากจะมีแฟนเพราะมีแล้วจะต้องทุกข์กับเขาอย่างแน่นอนนี่คือการใช้ปัญญาชำละอกุศลทางอ่านใจชำละความหลงเมื่อไม่มีความหลงก็จะไม่มีความโลภ เมื่อไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธเมื่อไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลง ก, ก็ไม่มีความทุกข์ใจใจก็สะอาดใจก็สงบสบายนี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงคือสร้างด้วยการมาชาระอกุ ศ, รรรศลทำสิบชาระอกุศลทำกายคือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวแวนี ชำระอากุศลทางวาจาคือการพูดปดการพูดคำหยาการพูดเพ้อเจ้อและการพูดส่อเสียแล้วก็มาชำระอกุศลทางใจคือความโลภความโกรธความหลงถ้าเราชำระได้ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่เรามาวัดกันในวันพระ ก็เพื่อมาทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรามาชำระกายวาจาใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวยังไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยจึงขอฝากเรื่องของการบาวัดในวันพระเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแกเร่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัะนาัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย